การฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นการฟังความจริงเป็นการแก้ความหลงชีวิตของเรานี่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลงของความไม่จริงแต่เราไม่รู้กันเราคิดว่าเป็นของจริงกันแต่ความจริงแล้วเป็นของปลอมเพราะเราไม่รู้จักของจริงว่าเป็นอะไร ของทั้งหมดที่เรารู้จักนี้ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของปลอมทั้งนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสั้นเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เราจะอยู่กับของปลอมไปเรื่อยๆดังอย่างที่เราเคยอยู่มากันตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราได้รับจากของปลอมก็คือความสุขปลอมนั่นเอง แล้วก็ได้รับของจริงก็คือได้รับความทุกจริงผลที่เราได้รับจากการที่เราอยู่กับของปลอมก็คือเราได้รับความสุขปลอมแต่สิ่งที่จริงของที่จริงที่เราได้รับก็คือความทุกความทุกนี้เป็นความทุกจริงเพราะว่าเวลาทุกแล้วนี่ ไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้มันหายไปมันอยู่กับเราอย่างจริงจงจังๆส่วนความสุขนี้มันอยู่กับเราเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่ความทุกข์นี่มันมักจะอยู่กับเรานานอยู่กับเราเรื่อยๆความสุขนี้เราต้องวิ่งไล่หามันวิ่งตามจับมันแต่ความทุกข์นี่เราไม่ต้องวิ่งตามจับ ไม่ต้องวิ่งหนีมันเอวิ่งหนีมันก็หนีมันไม่ทันมันตามเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนเงาตามตัวนั่นก็เพราะว่าเป็นผลที่เราไม่รู้ความจริงเราไปเรารู้จักแต่ของปลอมเราไปคิดว่าของปลอมนี้เป็นของจริงจึงทำให้เกิดความทุกข์ จริงตามมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั่ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปกับของปลอมไปเรื่อยสูญเสียของปลอมอันนี้ไปเราก็ไปหาของปลอมอันใหม่มาชดเชยมาทดแทนร่างกายนี้ตายไป เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนมาเกิดใหม่มาหาสิ่งต่างๆที่เป็นของป้อมใหม่พอมีร่างกายเราก็หาลาาบได้หายศได้หาสัตรเสริญได้หาลู่เสียงกินรสผลตภได้เวลาหาได้มาก็ดีอกดีใจแต่เราไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดพอเราได้มาแล้ว เราก็ได้รับความทุกข์ที่ตามมาทุกในขณะที่เขายัางไม่ไปเลยทุกเพราะวิตกกังวลห่วงใยไม่อยากให้เขาไปไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ไปจากเราพอเวลาเขาไปจากเราเราก็ทุกข์อีก ทุกตลาดเวลาเพราะเราไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้นั่นเองเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าเราไม่ต้องมีอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันก็จะมีแต่ความสุขเ ร, เราไม่รู้ว่าของจริงที่แท้จริงนั้นเป็นอะไร ของอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโ้มาสอนให้พวกเรารู้กันว่าของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของจริงนี้เป็นของปลอมหมดเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภานี้ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สามีเราไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราเขาเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสีเป็นวัตถุที่มีการรวมตัวกัน ธาสีเวลามารวมตัวกันก็กลายเป็นอาการสามสิบสองกลายเป็นร่างกายแล้วก็มีชื่อติดตามมาว่าชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพี่ชื่อน้องชื่อลูกชื่อหลานชื่อสามีชื่อภรรยาแล้วพอเวลาธาตุสีนี้เขาแยกทางกันชื่อก็หายไปชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพี่ชื่อน้องก็หายไปหายไปกับธาตุสี เราไม่รู้ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องที่แท้จริงมีเป็นเพียงชั่วข่าวเท่านั้นเพียงขณะที่ทาสี่นี้รวมตัวกันอยู่ขณะที่อาการสารสิบสองนี้ยังทำงานได้อยู่ขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ขณะที่ปอดยังสูดดมหายใจเข้าออกอยู่ ขณะนั้นก็ยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยาพอหัวใจหยุดแต้นพอปอดหยุดหายใจพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาก็หายไปกลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นดินไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินกลายเป็นเศษกระดูกไป เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปดีแล้คือของปลอมที่พวกเรามาหลงไขวยคว้ า, วามาดูแลมารักษามาครอบครองมาต่อสู้กันอย่างสุดกำลังเพื่อที่จะรักษาของปลอมเหล่านี้ เวลาต่อสู้รักษาของปลอมเหล่านี้เป็นอย่างไรก็เป็นเวลาที่ทุกข์มากอีกเหมือนกันอันนี้แหละคือความหลงหลอกให้เราไปหลงคิดว่าของปลอมเป็นของจริงไปคิดว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเราไม่เคยเห็นคำว่าสัพเพธรรมานา ต, ตา เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้มาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเป็นตัวเราก็เป็นของเราตัวเราเพียงชั่วคราวเช่นร่างกายนี้ก็เป็นของเราชั่วคราวอาจจะเดือนหนึ่งอาจจะปีหนึ่งอาจจะสิบปีอาจจะร้อยปีแต่ ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปกลายเป็นดินน้าลมไฟไปที่เราไม่มองกันไม่คิดกันมัวแต่คอยดูแลรักษาคอยแต่คอยหามาจนไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดกันเลยว่าสิ่งที่เรากำลังหากันสิ่งที่เรารักษากันนี้เรา รักษามันได้หรือเปล่าป้องกันไม่ให้มันจากเราไปได้หรือเปล่าป้องกันไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่าป้องกันไม่ได้เลยห้ามมันไม่ได้เลยถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้นี่เป็นเพราะว่าเราไม่มี ความรู้ความสามารถพอที่จะเห็นความจริงันนี้ที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราต้องมรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เพราะต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่นั้นที่จะสามารถมีปัญญาความรู้ความฉลาดที่สามารถมองทะลุ ความมืดบอดความหลงที่ครอบงำใจของเราครอบงำสายตาของเราให้เห็นผิดเป็นชอบให้เห็นรงจากเป็นดอกบัวพอเราได้พบกับพระพุทธเจา้าแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าของทุกอย่างในโลกนี้สัพเพธรรมาอนัตตาของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ว่าเราจะได้มามากหรือน้อยไม่ชา้าก็เร็วของเหล่านี้ก็จะต้องจากเราไปหมดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราอยากจะสุขเราก็ต้องอย่าไปหาของเหล่านี้ของที่จะต้องจากเราไปให้เราหาของที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่เป็นของเราไปตลอด ของที่เป็นของเราไปตลอดที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี้มีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนว่าอยู่ที่ใจของเหล่านี้เองอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นตัวไหนกันแนะ่เป็นร่างกายหรือเป็นใจใจนี้เรามองไม่เห็นเราเลยไม่รู้ว่าของของเราจริงๆ ที่เป็นตัวเราจริงๆนี้คือใจเลยเราเห็นแต่ร่างกายเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราไปเราก็เลยหลงกับการดูแลรักษาร่างกายหลงกับการหาสิ่งต่างๆมาดูแลรักษาร่างกายที่รักษาไม่ได้ทั้งร่างกายและทั้งสิ่งต่างๆที่มาดูแลรักษาร่างกายนี้ เราก็รักษาไม่ได้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปรดตะพักปัจจัยสีอ่อาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรกของพนี้เรารักษาให้อยู่ไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเวลาน้าท่วมนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ทางด้านปจัจจัยสี่อาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนยารักษาโรคขาดแคลนเครื่องนึ่งหอมขาดแคลนไปดังนั้นเราจึงต้องฟังพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นวิธีที่จะนําพาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้อยู่กับตัวเราที่ไม่มีวันตายอย่างแท้จริงใจนี่แหละเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงและให้ความสุขไปตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันหายไปตัวเรานี่แหละคือใจใจคือเราสิ่งที่เราควรจะดูแลรักษา ก็คือใจของเรานี่วิธีที่จะดูแลรักษาใจของเราเราก็ต้องหยุดดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเส ร, ริญรูปเสียงกยลิ่นรสผลสะพ้าอ่างตาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเลิกทรงสละราชสมบัติทรงเสด็จออกจากพระราชวังแสดงว่าท่านเลิกแนละ้วเรื่องลาบยศสรรเสริญ เรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เอาแล้วเจ็บมาพอแล้วทุกมาพอแล้วเหนื่อยมาพอแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่หายเหนื่อยไม่หายทุกเสียทีคิดว่าจะได้มากแล้วจะมีความสุขมากกลับไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งได้มากกลับเหนื่อยมากกลับมีความทุกมากจนในที่สุดก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นความทุก ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยสละแล้วก็มุ่งไปหาสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นของพระ อ, องค์อย่างแท้จริงนั่นก็คือความสงบของใจความสงบของใจนี้แหละที่จะให้ความสุขอย่างยิ่งใหญ่อย่างเลิศที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถ ดีเท่าได้นัตติสันติลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอันนี้แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงรู้ว่าความสุขใจนี่แหละเป็นของใจอย่างแท้จริงแล้วก็ใจนี่แหละเป็นของเราอย่างแท้จริง ที่จะไม่มีวันจากเราไ ป, าปของต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะต้องจากเราไปหมดลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะพี่น้องพ่อแม่ญาติสนิทมิตสหายสามีภรรยาบุตรธิดาจะต้องจากเราไปหมดเมื่อเราจะต้องจากเขาไปหมดเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือใจของเรา ถ้าใจของเรายังโง่อยู่ใจของเราก็จะโหยหวนขวายควา้าเหนียวลังสิ่งที่จากเราไปอยากจะให้สิ่งต่างๆที่เราเคยมีนั้นกลับมามีอีกมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นตัวที่ผลักดันให้เราวิ่งไปหาของปลอมใหม่พอเราสูญเสียอะไร เรามีปัญญาหามาได้ใหม่เราจะหามาทันทีเลยเช่นเกิดรถพังไปเนี่พอมีเงินซื้อคันใหม่ก็จะซื้อทันทีปรรยาตายไปสามีตายไปก็จะหาภรรยาใหม่หาสามีใหม่มาแทนทันทีเลยเพราะเราขาดเขาไม่ได้อยู่ปราศจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนลมหายใจถ้าไม่มีแล้วจะตายให้ได้ ถ้าไม่มีลาบยศสารเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาพนี้จะตายให้ได้เพราะว่าเราไม่มีอากาศหายใจที่แท้จริงนั่นเองเราชอบสูดควันพิษกันพอสูดเข้าไปแล้วก็ทุกทรมานกันเป็นโรคมะเร็งกันเป็นโรคของความทุกข์ใจกันพอได้สามีภรรยาได้บุตรได้ธิดา ได้ลาบยศจ เ, เสริญมาก็มาทุกข์กับลาบยศจารเสริญมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับบุตรธิดานี่แหละคือการสูดความพิษเข้าไปหายใจกับความพิษแล้วก็มาเป็นโรคมะเร็งกันแล้วก็มาตายกันออากาศสะอาดบริสุดกับไม่ชอบสูดกันอากาศบอยสุดคืออะไรก็คือความสงบนีงเองสูดเข้าไปสิ นั่งสมาธิเข้าไปสิรับรองได้ว่าไม่มีความพิษไม่เป็นความพิษจะไม่เป็นโรคมะเร็งในปอดอย่างแน่นอนจะไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้แหละคือของจริงของแท้ที่พวกเราไม่รู้กันต้องให้มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วก็มีพระสาวกทั้งหลายที่นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้พบกับความจริงอันนี้ มาช่วยพระพุทธเจ้าถ่ายทอดความจริงอันนี้มาตามลาดับตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงตัดทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่สืบทอดความความรู้อันนี้ความจริงอันนี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้กันเพื่อให้พวกเราจะได้ แก้ปัญหาของเราแก้ความหลงของเราเลิกสูตรความพิษเลิเลิ ก, เลกหาความสุขที่เป็นทุกข์ก็คือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลียนลดผลทพะสามีภรรยาบุตรธิดาของเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความสุขเพียงแต่พอที่จะทำให้เราอยู่ได้ไม่ไม่ไม่ไม ไ ม, ไม่ตายไปเท่านั้นเองเหมือนควันพิษดีๆนี่นเองสูดเข้าไปก็ทำให้ไม่ตายแต่ทำให้เจ็บให้ทุกข์ทรมานดังนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทงปฏิบัติมาขั้นต้นก็คือให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลินกาย ทำจากน้อยไปหามากจะทำแบบทันทีร้อยเปอร์เซนตมันคงจะยากเหมือนคนเลิกสูกบบุหรี่ทันทีทันใดเลิกดื่มสุราแบบทันทีทันใดนี้คงจะทำยากนอกจากว่ามีพลังจิตถ้าใครมีสมาธิแล้วนี้ทำได้ทันทีเลยถ้าใครนั่งสมาธิได้จิตสงบรวมเป็นอุบเบกขาได้ก็จะสละ ราบยศสารเสริญสละความสุขทางตาหูจมกูกร่างกายได้จะบวชได้จะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวได้จะไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นได้ถ้าได้พบกับความสงบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีสมาธิแล้วนี้จะมีพลังจิตจะมีกำลังที่จะตัดความอยากในราบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสพัทธะได้อย่างง่ายดาย ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องทำจากน้อยไปหามากก่อนทำด้วยการสละเท่ะเล็กเทละน้อยไปก่อนเท่าที่เราพอจะสละได้แล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับไปสู่การปฏิบัติขั้นที่สองตามลาดับก็คือรักษาสีงไปถ้าให้ทานได้มากก็จะรักษาสีลได้มากเพราะสีนนี่เป็น การรักษาสีนี้เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำทานนี้เองเวลาทำทานนี้ใจของเราจะมีความเมตตาการุณาจะคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือดร้อน <c oughs> ก็มีความสงสารอยากจะช่วยเหลื อ, อก็จะทำให้ใจนี้ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดตัวเองี่ไม่ชอบโกหกหลอกลวงไม่ชอบเสพสุรายาหมาอันนี้จะเป็นอั น, นิสง์ที่เกิดจากการทําทานทําทานมากเท่าไหร่ก็จะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นไปตามลําดับจนสามารถรักษาได้อย่างสบายไม่เดือดร้นอนถ้าสละสมบัติหมดแล้วก็จะรักษาสีลได้อย่างสบาย พราะเมื่อไม่ต้องการทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องการราบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจํมูกวิ้นกายแล้วจะไปรักทรัพย์ทําไมให้เสียเวลาเปล่าๆจะไปประพฤติผิดวปนี้ปร ะ, ประเวณีกับใครทาไมจะไปโกหกหลอกลวงใครทําไมเพราะเราไม่มีความต้องการอยากได้อะไรจากใครแต่ถ้าเรายังอยากได้อยู่ยังอยากได้เงินได้ทองอยู่ เราก็ต้องพูดโกหกหลอกลวงชาวบ้านทั่วไปหมดอยากได้ตำแหน่งก็ไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านหาสงหาเสียงว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้้าไปแล้วก็ไปกอบไปโกยเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยเพราะความโลภความอยากได้ในราบยศสรรเสริญทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้แต่ถ้าเราสละ ไม่ต้องการลาบยอดรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายเราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างให้บ่อยสุดได้อย่างง่ายได้ยงจะทำได้ก็ต้องฝึกขั้นต่อไปคือขั้นที่สามททานได้แล้วรักษาศีลได้แล้วถึงแม้ว่ายังจะเป็นไม่ได้แบบเต็มที่อย่างน้อยก็จะเป็น ฐานที่จะช่วยสนับสนุนให้เราได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เพราะหนึ่งเราจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นคือเราจะไม่หาเงินไม่เสียเวลากับการหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเราจะหาเงินพอกินพอใช้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะมีเวลาว่างไม่ต้องทำงานประจําก็ได้เช่นขายประกันอาทิตย์หนึ่งขายสักสองสามวัน ในวันหนึ่งขายสักสองสามชั่วโมงก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้นี่คือเจตนาของการทำทานเพื่อให้เราตัดการหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำงานที่สำคัญงานที่เป็นของเราความสุขที่เป็นของความสุขที่แท้จริงคือความสงบ ด้วยการนั่งสมาธินะครับพอเรานั่งไปเด่เรื่อยฝึกไปได้เรื่อยเจริญสติอยู่เรื่อยคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยบริกรรมพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวจิตก็จะสงบเองเพราะความสงบนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสตินี่ถ้ามีสติแล้วผลคือความสงบมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะใครก็ตาม ทุกคนจะต้องมีสติทั้งนั้นถึงจะได้ความสงบพระพุทธเจ้าก็ต้องเจริญสติพระอาหารหันต์ก็ต้องเจริญสติพวกเราก็ต้องเจริญสติพอมีสติแล้วผลก็คือสมาธิคือความสงบก็จะตามมานะต่อไปดังนั้นพอเราเริ่มปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ก็คือการเจริญสติการรักษาสติ ประครับประคองใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถ ท, ทุกเวลานาทีไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นเป็นอังคาดให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอ ใจสงบไปนูเบคาแล้วก็เหมือนกับไปถึงพระนิพพานเลยเพียงแต่ว่าเป็นพระนิพพานชั่วคราวถ้าเป็นภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างได้เห็นภาพยนตร์ตัวอย่างแล้วเห็นตัวอย่างว่าทีนี้ก็อยากจะดูภาพยนตร์จริงว่ะสิพอมาฉายที่โรงเมื่อไหร่ก็ไปจองเข้าคิวกันตั้งแต่ตีสามตีสี่นู่นเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มี อะไรในโลกนี้เหมือนนั่นเองความสงบนี้พอได้สัมผัสแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปมันอยากจะได้ความสงบนี้ตลอดเวลาอยากจะให้มีอยู่ในใจตลอดเวลาทีนี้ก็จะสามารถสละราชสมบัติสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองราบยศสละเสริญสละดรูปเสียงกิโลสผลทพได้อย่างเต็มที่เลยไม่เอาเลย ไปแล้วไปอยู่ป่าดีกว่าไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตามถาม้มตามเนื่อผาตามโคนไม้นั่นคือที่อยู่ของนักปฏิบัติธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าท่านอยู่กันอย่างนั้นท่านไม่มีวัดติดแอร์ติดพัดลมติดทีวีมีอะไรสารพัดอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยนี้วัดแบบนี้ไม่เรียกวัดวัดที่แท้จริงต้องไม่มีอะไร ต้องปัาศจากรูปเสียงกลิ่นรถพลทัพภะที่จะมาคอยบครบกวนใจที่จะมาทำลายขัดขวางการทำใจให้สงบวัดต้องเป็นวัดอย่างที่พระพุทธเจ้าประทับกันพระอาหารหันต์ประทับอยู่กันก็คือที่สงบสงัดวิเว้ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากลาบยศรยันลสญห่างใจจากเรื่องราวต่างๆ ที่จะทำให้จิตใจว้าวุ่นขุนมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายอันนี้แหละพอได้สัมผัสกับความสงบแล้วต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่อยากไนดะ้ไม่อยากจะดูแลไม่อยากจะรักษาปวดหัวเหนื่อยไม่ได้อะไรจากการดูแลรักษาสมบัติเหล่านี้มีแต่ความทุกข์ใช้มันก็ทุกข์ เวลาจะใช้ก็เหนื่อยกับการใช้เงินใช้ทองจะเดินทางไปต่างประเทศทีก็ต้องไปทําบีซา่าไปทําพาสปอร์ตต้องไปจองที่พักจองอะไรต่างๆต้องไปเสี่ยงภัยกับการขึ้นเครื่องบินขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะลงมาแบบไหนจะลงแบบเดินลงมาหรือว่าจะเอาหัวทิ้มลงมานี่แหละคือความสุขของคนมีเงินครับ เป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ที่เขาไม่รู้สึกตัวแต่เขาทำอยู่เฉยๆไม่ได้ทำใจให้สงบอยู่นิ่งๆไม่ได้ถึงต้องวุ่นวายกับการใช้เงินใช้ทองพอใช้หมดแล้วก็วุ่นวายกับการหามาใหม่ก็คือชีวิตของผู้ที่ยึดเงินทองเป็นเจารณะเป็นที่พึ่งเป็นความทุกข์แต่ไม่รู้กันคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ เพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์พอได้ทำอะไรแล้วมันหายทุกข์มันเดิมถึงแม้ว่าจะต้องไปทุกข์กับการไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินทางไปไหนมาไหนทุกข์กับการนั่งติดอยู่บนท้องถนนก็ยังดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆมันก็นั่งอยู่ในรถเหมือนกันมันก็ติดอยู่ในรถเหมือนกันแต่อย่างน้อยรถมันเคลื่อนที่ไปมาให้เห็นภาพนู้นภาพนี้มันก็เลยแก้งเหงาไปได้ แต่นั่งอยู่ในบ้านนี้บ้านมันไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนรถมันก็เห็นภาพเก่าๆซ้ำๆซักๆมันก็เลยเบื่อแต่พอไปนั่งติดอยู่ในรถไม่เป็นไรมันติดแต่วเดี๋ยวมันก็วิ่งเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็วิ่งก็ยังดีกว่านั่งอยู่ในบ้านสำหรับจิตที่ไม่สงบจะเป็นอย่างนี้จิตมันอยากจะดูภาพใหม่ๆเรื่อยๆได้ยินเสียงใหม่ๆเรื่อยๆจะไม่ชอบภาพซ้ำซากเสียงซ้ำซาก ก็เลยต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ที่นี่ก็ต้องไปที่โน่อนอยู่ที่โน่นก็เบื่อก็ต้องกลับมาที่นี่เขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่เวลาวิ่งไปวิ่งมาก็เสี่ยงภัยกับบนท้องถนนบนังบนบนท้องฟ้าบ้างบนบนน้ำบังน้ำถ้านั่งเรือก็ไปเสี่ยงภัยกับการจมน้ําังนี่คือความทุกข์ที่เขามองไม่เห็นกันเพราะว่าเขาทนที่จะอยู่เฉยๆไม่ได้ แตนะ่ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วจะไม่อยากจะไปไหนอยู่เฉยๆนี่มันสบายอยู่แล้วจะไปหาอะไรอีกไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขเราเรามีกรรมกันคืออยู่ไม่เป็นสุขกันต่อให้มีมากมีน้อยก็อยู่ไม่เป็นสุขกันต้องดิ้นรนกันไปดินลนกันมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แต่พอเราทำใจให้สงบได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องดิ้นรนแล้วเราหยุดแล้วเราสบายแล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบทำทาให้พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติได้ทำให้สาวกที่เป็นขาราชที่มีาลาภยศสารเสริญสละทรัพย์สมบัติ ส, รรสละลาภยศสรรเสริญต่างๆไปได้ ไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ไปบำเพ็ญจนในที่สุดก็ได้ความสุขที่ถาวรความสดในความสุขเบื้องต้นนี้เป็นความสุขแบบภาพยนต์ตัวอย่างหนังตัวอย่างพาอออกไปบำเพ็ญอยู่เรื่อยจเจริญอยู่เรื่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสตินั่งสมาธิพิจารณาปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปก็จะได้หนังจินได้ความสงบที่ถาวรที่ยาว เ, เหยียดไม่มีวันจบ ไม่มีวันสิ้นที่เรียกว่าปรามังสุขขังนี่เองอันนี้แหละจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าจากการที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เป็นของปอมไม่ใช่เป็นของเราเราต้องทุกข์ต้องยากกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราดูแลแทบเป็นแทบตาย แล้วในที่สุดเป็นยังไงก็จากเราไปหมดร่างกายของเรานี่ที่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้จะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าสามีภรรยาบุตรธิดาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไปหมดปีอย่างเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความทุกข์หรือความสุขส่วนใหญ่ก็จะเป็นความทุกข์กัน เพราะเราไม่รู้จักสร้างความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเรารู้จักแต่วิธีสร้างความทุกข์ที่จะอยู่กับเราไปตลอดนะหว่างนี้ people, ที่เราดิ้นกันนี้ก็เน้นหนีความทุกข์ที่อยู่กับเราไปตลอด <fourteen> แล้วก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองมันไม่ได้เกิดจากใครเลยมันเกิดจากความอยากของเรานี่อยากล่ำอยากรวยอยากมีลาบยศสรรเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแต่พอเวลาเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบปั๊มไอ้ตัวนี้แหละมันหยุดทํางานทันทีเลยมันหายไปเลยชั่วคราวแล้วตอนนั้นความทุกข์ที่เกิดจากไอ้ตัวนี้ก็หายไปหมดเลยเหนือแต่ความสงบเหนือแต่ความสุขแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอมาคิดปรุงแต่งมาเห็นมาได้ยินเสียงเห็นรูปปับ๊บ ไอตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นรูป ก, ก็อยากจะได้เห็นเสียงก็อยากจะได้เห็นอะไรก็อยากจะได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาฆ่ามันเพราะสมาธินี้ฆ่ามันไม่ได้สมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นเองพอยกหินออกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากให้ตันหากิเลสความอยากนี้ตายไปเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องถอนรากถอนโคนรากของตัญหาความอยากคืออะไรก็คือความหลงนี่ความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเป็นของจริงของแท้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นของปลอมถ้าเรารู้ว่าเงินที่เขาจะให้เรานี้เป็นเงินปลอมนี้เราจะรับไหม ถ้าไปที่ธนาคารในแบบเงินสักล้านหนึ่งแล้วก็ให้แบงก์ปลอมมา น, นีคุณจะรับหรือเปล่าไม่มีใครรับหอกใช่ไหมครับเพราะรู้ว่าเอาไปใช้อะไรไม่ได้ไปใช้ไปซื้อของเดี๋ยวก็บอกว่าใช้ไม่ได้แบงก์ปลอมอันนี้ก็เหมือนกันขางต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนี่มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมมันให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็ ให้ความทุกข์กับเราทันทีอย่างที่เมื่อเช้านี้พูดไว้อยู่คนเดียวนี่ไม่มีความทุกข์กับใครพออยู่กับสามีมสามีมีภรรยาที่นี้ต้องมาทุกข์กับสามีล้ทุกข์กับภรรยาละทุกข์กับความหวงพาอหวงทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะเสียดายเวลาที่เขาจากเราไปถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา นี่แหละคือเราต้องเห็นเราต้องแก้มันต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมปลอมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนั่นเองมันเป็นของชั่วกราวเป็นความสุขชั่วกราวเป็นความสุขที่เวลาหมดไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเพราะใจยังอยากมีความสุขอย่างนี้อยู่เหมือนกับคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราพอบุหรี่หมดแล้วเป็นยังไง พอไม่มีบุหรี่สูบจะทำอย่างไรก็ทุกแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องไปหาบุหรี่มาสูบต่อต้องไปหาสุรามาเดิมใหม่ถึงจะมีความสุขต่อได้อันนี้เราต้องใช้ปัญญามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของปลอมเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นจะเป็นเวลาที่จะต้องทุกข์ทรมานมากเมื่อเช้านี้ก็มีโยมคนในบัวเอามาทำบุญให้กับเพื่อนหรือ<ม>คนรู้จักที่ข้าตัวตายไปที่ฆ้าตัวตายไปเพราะผิดหวังไปไปเจอของปลอมเขา้าพอจะไปเบิกไปเบิกเงินได้แบงก์ปลอมมาพอจะไปซื้อรถซื้อของเขาบอกว่าซื้อไม่ได้ของปลอมแบงก์ปลอม ก็เลยเสียใจไม่รู้จะอยากได้แต่ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเครียดมากจะทุกข์มากจนในที่สุดก็จะทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายก็คิดอยากจะฆ่าตัวตาย ก็เพราะว่าอยากจะให้มันหายแล้วมันไม่หายก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเพราะยังเพราะเพราะยังคิดว่าร่างกายนี้เป็นของจริงคิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขให้กับตนอันนี้แหละเพราะเวลาเราเป็นหลงกับของปลอมพอถึงเวลาที่จะอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเขาไม่สามารถตอบสนองได้เราก็จะเศร้าโศกเสียใจ ดังนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดให้ใช้ปัญญามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของปลอมหมดอย่าไปหลงอยากได้อย่าไปหล ง, ไ, ไ, ปหลงไปอาศัยเขาให้ความสุขเรามีของจริงอยู่เพียงอย่ันเดียวเท่านั้นก็คือความสงบภายในใจของเรานี่เองและมันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมา ก็คือทำทานสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปอย่าไปแสวงหาอย่าไปหาความสุขเหล่านี้เรามีมากเกินไปเราก็สละไปเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้ที่เรายัางต้องอาศัยในการที่จะมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมา มาเจริญสติมานั่งสมาธิกันแต่พอเราเจริญสติได้นั่งสมาธิได้แล้วร่างกายจะเป็นายต่อไปเราไม่ต้องใช้เขาแล้วเราใช้ตอนนี้เพราะว่าเรายัางต้องไปไหนมาไหนอยู่ต้องไปหาพระไปหาครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรพอเรารู้แล้วต่อไปเราไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว ั่างกายไม่สบายเราก็ยังเจริญสติได้นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เจริญปัญญาได้รักษาความสงบสร้างความสงบภายในใจให้เกิดขึ้นได้เราจึงควรที่จะทำที่พระเจ้าทรงสอนที่ทรงปฏิบัติมาก็คือทาทานจากน้อยไปหามากจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบ ไปแล้วก็รักษาศีลเพิ่มกันไปทีละข้อสองข้อแล้วก็นั่งสมาธิไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนขั้งละห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีนั่งไปเรื่อยๆนั่งให้มากขึ้นบ่อยขึ้นพอจิตสงบได้เต็มที่แล้วก็จะทำทานได้ร้อยเต็มร้อยเลยมีร้อยก็ให้ร้อยไปเลยไม่เก็บเอาไว้เลยไม่ต้องการอะไรขอต้องการอย่างเดียวก็คือเวลา สถานที่ทสงบห่างไกลจากแสงสีเสียงเพื่อที่จะได้มาสร้างความสงบให้ถาให้เป็นไปอย่างถาวรต่อไปเท่านั้นเองนี่แหละคือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําทานสอนให้เรารักษาศีลแล้วก็สอนให้เราภาวนาภาวนานี้ก็คือการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา สอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมขอให้รู้ว่าต่อไปนี้ขอให้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของปลอมหมราบยศจัลรสเสรนรูปเสียงเก็บรถปวดต่อพระนี้เป็นของปลอมหมดเป็นแบงเกอเป็นทองเกอแบงจริงทองจริงนี้คือความสงบเท่านั้นให้ให้เข้าหาความสงบนี้ให้ได้หาของจริงเพราะเราจะใช้ความสงบนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ ถ้าเป็นเงินทองก็สามารถเอาไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ดังนั้นขอให้เราพยายามพุ่งไปที่การทาทานพุ่งไปที่การรักษาสินพุ่งไปที่การภาวนาด้วยการถอนออกจากการแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแลนะรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วความสุขที่แท้จริงนี้ ก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงทานีีขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเฟตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะ a ะโสยธานาฬิโตรติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวอะพิวะธนสีลิสะนิจจงุทาปจายโน จตาโรโอธรรวาทานติอายุวโนสุขั ง, าลางภลงาจารย์ครับมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กตกค้างอีกคําถามหนึ่งครับจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับผมได้รับอุบายจากพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่ผมสังเกตว่าท่านจี้ลงไปในจุดนี้ให้ผมบ่อยๆว่ามันอยากค้นทุกข์แต่มันไม่กล้าออกจากทุกข์ด้วยความที่ผมปัญญาน้อยผมตีความหมายอุบายตามความปัญญาน้อยของผมเพื่อนํามาแก้ไขตนเองระดับหนึ่งผมจึงกราบเรียนถามท่านอาจารย์ขอความเมตตาท่านอาจารย์ตอบตามสมควรด้วยครับเนี่ยที่เทศนาทั้ง ั้งสี่สิบกว่านาทีนี้ก็เป็นคำตอบแนละ้วก็ของปลอมทั้ง น, นั้นไงเรายังติดอยู่เราไม่ยอมออกจากของปลอมกันของปลอมนี่เป็นเป็นความทุกข์ท่านต้องการให้เราออกจากของพวกนี้ไปอย่าไปหาความสุขอย่าจากการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลถ้พระนี่เองอันนี้แหละเป็นความทุกข์ที่พวกเราไม่ยอมออกออกกันยังยึดยังติดกันอยู่ เพราะกลัวว่าถ้าออกแล้วจะตายเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้สูดควันพิษแล้วจะตายไม่รู้ว่ามีวมีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดกับให้ให้ให้สูดกันกับไม่สูดกันกลัวจะตายก็เลยขอสูดควันพิษนี้ไปเรื่อยๆก่อนอันนี้แหละคิดว่าเป็นคำตอบไม่ใช่เหรอใช่ไหมตรงประเด็นอยู่แล้ว คำตอบ ม, มาก่อนคำถามจะได้ทรามไปคนก็ถึงมากจะบอกว่าไอ้ผู้อะไรถูกใจโด น, นใจเรื่องกัน กลับบ้านก็กลับได้ใครอยากจะนั่งต่อก็นั่งได้ทำสบายก็อยากจะบังคับกันคนบางคนยังนั่งไม่ได้ก็จะทรมานคนนั่งได้ก็เขาก็มีความสุข ต, ตอนนี้เนั่งเพราะว่าเราถูกฝนบังคับให้นั่งตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราก็หยุดนั่ง ถ้าอยากจะนั่งต่อก็กลับไปนั่งที่บ้านก็ได้ถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้ก็นั่งได้ประมาณทั้ยี่สิบนาทีได้ยี่สิบกวนาทียี่สิบห้านา ท, นาทีเดียวเดียวแป๊บเดียวอะแล้วงั้นพยายามนั่งบ่อยๆ เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าวันไหนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปชา้าิหลือเกินก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่แค่นี้ก่อนเนะี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอย่ารีบร้อนนะถนนเลื่นอนใจเย็น